วันนี้เป็นวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมผู้เห็นความสำคัญของธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้ตั้งใจกันมาเพื่อ ม, มาศึกษามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นําเอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจา้านี้มาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แกบจิตใจของตนเองให้จิตใจนั้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงให้จิตใจนี้สูงขึ้น จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตอนนี้จิตใจของพวกเราอยู่ในระดับของมนุษย์ซึ่งเป็นระดับกลางๆไม่สูงและก็ไม่ต่ำมีระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็คืออบายสี ได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกและมีระดับที่สูงกว่ามนุษย์ก็คือระดับเทพระดับพรมและระดับพระอริยบุคคลนี่คือสถานภาพต่างๆของจิตใจของพวกเราทุกคนที่สามารถที่จะ ทำให้จิตใจของพวกเราสูงขึ้นก็ได้หรือต่ำลงก็ได้การที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นหรือต่ำลงนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานั่นเองถ้าเรากระทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จิตใจของเราก็จะสูงขึ้นจะมีความสุขมากขึ้น ถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นโทษแก่จิตใจจิตใจของเราก็จะลงต่ำและก็จะต้องเจอกับความทุกข์เพิ่มมากขึ้นการที่เราจะสูงจะต่ำจะขึ้นหรือจะลงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาส ได้พบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะถ้าเราไม่ได้พบกับคำสั่งคำสอนไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้เรื่องราวของจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็น ได้ด้วยตาของร่างกายเราก็เราเห็นเพียงแต่ร่างกายเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายและความสุขความเจริญของเราหรือความทุกข์ความเสื่อมของเรานี้อยู่ที่ร่างกายของพวกเราพวกเราก็เลยหลงทางกัน ลงไปสร้างความสุขความเจริญทางร่างกายเพราะคิดว่าคิดว่านี่คือสิ่งที่จะให้ความสุขความเจริญกับเราแต่เราไม่ได้ศึกษาดูว่าความสุขความเจริญทางร่างกายนี้มันยั่งยืนหรือไม่ หรือมันเป็นความสุขความเจริญแบบชั่วคราวที่มีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดได้และอะไรที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อความสุขความเจริญทางร่างกายนี้มันเสื่อมหรือมันหมดไปสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจความเศร้าสร้อยหงอยเหงาความรู้สึกว้าเหวเปล่าเปียวเดียวดายอันนี้เป็นสิ่งที่คนเราส่วนใหญ่ไม่คิดกันหรือไม่กล้าคิดกันไม่อยากจะคิดกันอยากจะให้ความสุขทางร่างกาย ความสุขความเจริญทางร่างกายคือทางโล ก, กธรรมได้แก่ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆให้มันยั่งยืนให้มันยาวนานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ ไม่มีธรรมะจึงไม่รู้เรื่องของจิตใจว่าจิตใจนี้กับร่างกายนี้ <c oughs> เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกัน <c oughs> แล้วก็การพัฒนาทางด้านร่างกายนี้เป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวและเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคงสามารถที่เกิดความเสื่อมเกิดความสูญเสียได้ตลอดเวลาไม่ใชแ่แต่เฉพาะจะเกิดขึ้นตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเท่านั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนี้ก็มีผลกระทบต่อความสุขความเจริญของทางร่างกายมีผลกระทบต่อความสุขความเจริญของลาบยศสันตเสญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพาฯนั่นเองแต่ถ้าไม่มีธรรมะคาสั่งคาสอน ผู้ที่แสวงหาความสุขความเจริญก็ต้องหาจากราบยศเสริสจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระและก็พยายามที่จะไม่คิดถึงความเสื่อมเพียงแต่คิดว่ามันจะต้องดีไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นการหลอกตัวเองเพราะว่าไม่กล้ามองความจริงกลัวความจริงพยายามปฏิเสธความจริงพยายามคิดว่าเราสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้มีแต่ความสุขความจเจริญได้ไปจนถึงวันตาย จากการที่เราหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ<ม>่นลพผลเถพาแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงพอเวลาความจริงมันปรากฏขึ้นมามันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกัน<ม>ก็ได้แต่ทนทุกข์ทนอะไรไปจนกว่าจะตายจากกันไป หรือบางท่านก็ทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายกันไปเพราะว่าไม่คิดว่าชีวิตของตัวเองนั้นจะต้องเจอกับความทุกข์ความเสื่อมความสูญเสียต่างๆเพราะในใจคิดว่าชีวิตของเราจะต้องเจริญ ง, งื้อเรียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้พบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จำเป็นที่จะต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไปแล้วก็เสี่ยงไปกับความไม่แน่นอน ของลาบยศฉละเสริญของของรูปเสียงกลิ่นรสและของตาหูจมูกล่างกายคือร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะสร้างความสุขทางร่างกายร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันโอกาสที่จะอยู่อย่างปกติสุข ไปทุกวันมันก็ไม่ใช่เป็นของแน่นอนวันดีคืนดีก็อาจจะเจอกับโครคภัยไข้เจ็บหรือเจอกับอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆจึงทำให้ชีวิตที่หาความสุขทางร่างกายนี้ต้องมีความวุ่นวายใจมีความวิตกมีความกังวล อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะได้ราบยอดสระเสริญสุขมาในระดับไหนก็ตามระดับคนธรรมดาพอมีพอกินหรือระดับเศรษฐีระดับมหาเศรษฐีหรือระดับคนที่ยากจนขอทานก็ล้วนต้องเจอกับปัญหาอันเดียวกันทั้งนั้นเพราะว่า ไปหาสิ่งที่เหมือนกันเพื่อหาราบยศรเสรสนุขกันก็เลยจะต้องเจอกับความไม่ไม่แน่นอนความวิตกความกังวลความสูญเสียความเศรา้าโศกเสียใจเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการสูญเสียไปนี่แหละคือโทษ ของการที่ไม่ได้มีโอกาสได้พบกับพระทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ข้อธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องจิตใจของเราว่าเราที่แท้จริงนั้นเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นจิตใจและสิ่งที่เราควรที่จะกระทำกันเพื่อให้เรามีความสุขความเจริญที่ยั่งยืนที่มั่นคงก็คือการพัฒนาจิตใจของพวกเราหาความสุขหาความเจริญจากการพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องจิตใจของพวกเราว่าจิตใจของพวกเรานี้ต่างจากร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้จิตใจที่ ไม่รู้จากตนเองก็เลยไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วก็ไปคิดว่าการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขก็ต้องอาศัยการหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางราบยศสรรเสริญผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่าง นี่คือความหลงที่เรียกว่าอาวิชชาหรือโมหะความไม่รู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราและการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขความเจริญนั้นจะต้องจบลงไม่ช้าก็เร็วด้วยความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้เรามา เปลี่ยนวิธีการหาความสุขให้กับจิตใจของเราด้วยการหาความสุขด้วยการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงแล้วก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มั่นคงและก็ถาวร เพราะว่าจิตใจของพวกเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของชั่วคราวเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ต่อให้พัฒนาทางด้านลาภยศสรเสริญสุขสูงขนาดไหนก็ตามเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามมันมีวันสิ้นสุดลง ม, มีวันจบลง แต่การพัฒนาทางด้านจิตใจนี้เมื่อพัฒนาได้แล้วมันจะคงอยู่ไปกลับใจไปเรื่อยๆตราบใดที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ<ๆ>ก็จะพาการพัฒนาของจิตใจนั้นไปสู่ขั้นสูงสุดขั้นที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบจากการที่ได้ทรงออกบวชแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็จากพระครูบาจารย์ต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อครูบาจารย์ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ครอบท้วนบริบูรณ์ได้ว่าจะพัฒนาจิตใจอย่างไรให้มันอยู่ถึงจุดที่ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไม่มีความทุกข์พระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นหาค้นคว้าลองผิดลองถูกด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบวิธีที่จะสร้างจิตใจสร้างความสุขสร้างความเจริญของจิตใจให้เจริญอย่างถาวรให้มีความสุข ที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดให้อยู่คู่กับใจที่เป็นของถาวรเป็นของที่ไม่มีวันเป็นของที่ไม่มีวันตายนี่แหละคือสิ่งที่หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงค้นพบวิธีการพัฒนาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนาเอาความรู้ที่ได้ทรงค้นพบนี้ มาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญที่ถาวรให้ได้รู้ว่าการที่จะได้ความสุขและความเจริญที่ถาวรนี้จะต้องทําอย่างไรบ้างก็คือจะต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขความเจริญจากการหาความสุขจาก ลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐะให้มาหาความสุขความเจริญจากการที่ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาก็คือให้มาสร้างความสุขความเจริญด้วยการสร้างบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้สร้างมาจนทําให้ พระ อ, องค์สามารถพัฒนาจิตใจของพระ อ, องค์ให้สูงให้ถึงขั้นสูงสุดให้ถึงความสุขที่สูงสุดที่ท่าวรมั่นคงสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราพัฒนาสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นไปจนถึงความสุขขั้นสูงสุด ก็คือบุญบารมีสิบประการนี้เองถ้าเราสร้างบุญบารมีสิบประการได้เราก็จะสร้างความสุขความเจริญขั้นพันิพาลให้แก่จิตใจของเราได้แต่การสร้างบุญบารมีก็เป็นเหมือนกับการก็ต้องเป็นการสร้างเป็นขั้นเป็นตอนไป เหมือนกับการสร้างบ้านเรือนการที่เราจะสร้างบ้านเรือนให้ขึ้นมาได้นี้เราก็มีขั้นตอนขั้นแรกก็ต้องอมีพื้นฐานรองรับตัวเสาของอาคารก่อนต้องเทต้องเทพื้นฐานต้องปักเสาเข็มอะไรเพื่อให้ฐานรากของบ้านนี้แข็งแรง เพื่อจะรองรับน้ำหนักของบ้านได้ที่จะที่จะผ่านทางเสาของบ้านนอนต้นก็ตอกเสาเข็มกันเสร็จแล้วก็เทพื้นฐานสร้างฐานรากฐานของตัวอาคารแล้วก็เอาเสาตั้งบนรากฐานจากนั้นก็มีการสร้างส่วนต่าง สร้างคาสร้างหลังคาสร้างพื้นสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาตามลำดับการกระทำอะไรนี้มันมีขั้นมีตอนของมันการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับก็ต้องพัฒนาเป็นขั้นๆไปจากขั้นมนุษย์นี้เราก็พัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นของเทพก่อน จากขั้นของเทพเราก็พัฒนาไปสู่ขั้นของพรหมและจากขั้นของพรหมเราก็จะพัฒนาขึ้นไปสู่ขั้นของพระอริยบุคคลจนถึงขั้นสูงสุดของขั้นของพระอริยบุคคลก็ลคือขั้นพระอรหันต์หรือขั้นพระพุทธเจ้าถึงจะได้พบกับความสุขที่ ถาวรความเจริญที่ถาวรคือพระนิพพานและเป็นการกำจัดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปจากใจบารมีสิบก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่ย่ยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับ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 ข้อที่6ก็คือปัญญาบา ร, รมีนี่คือบา ร, รมีที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นจากระดับมนุษย์ไปสู่ระดับพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าต้องใช้บา ร, รมีส0บข้อหข้อนี้โดยการสนับสนุนบา ร, รมีอีกสี่ข้อที่จะเป็นเหมือนผู้คอยผลักดัน ให้เกิดการสร้างบารมีทั้งหกข้อแรกนี้บารมีที่ทจะที่จะเป็นตัวผลักดันคอยหนุนคอยสนับสนุนการสร้างบารมีที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานบารมีข้อที่สองก็คือสัจจะบารมี ข้อที่สามก็คือวิริยะบารมีและข้อที่สี่ก็คือขันติบารมีนี่คือบารมีบุญบารมีสิบประการด้วยกันที่ผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนายกระดับจิตใจให้เจริญสูงขึ้นไปตามลำดับและมีความสุข เพิ่มขึ้นเป็นตามลำดับจาเป็นที่จะต้องมีการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้บารมีที่เราจะต้องใช้ในการผลักดันการสร้างบารมีที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิฐานบารมีแปลว่าการตั้งเป้าหมายของการดำเนินการ ของการกระทาของการปฏิบัติเรียกว่าอธิษฐานซึ่งต่างจากความหมายของทางโลกทางโลกนี้จะแปลความหมายของอธิษฐานว่าเป็นการขอขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้เช่นเวลาที่เราทำบุญทำทานใส่บาตรเราก็อธิษฐานขอให้ได้แล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะได้คืออะไร บางคนก็อยากจะถูก์หวยก็มีพรุ่งนี้ก็วันออกหวยคนจะทําบุญใส่บาทกันมากแล้วก็จะอธิษฐานกันขอกันขอให้ถูกหวยอันนี้ไม่ใช่ความหมายของบา ร, รมีที่เรียกที่อธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีนี้ไม่ได้ให้ขอให้ทําให้เราตั้งเป้าของการกระทําของเราว่าเราจะทําอะไรเราก็จะมาทํา ทำบารมีที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นก็คือเราจะตั้งอธิษฐานที่การสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเนคขมมะบารมีสร้างผู้เบิกขาบารมีสร้างปัญญาบารมีไอนี่คืออธิษฐานทางาศาสนาทางทางทางทางปฏิบัติ ของของบุญบา ร, รมีอธิษฐานนี้แปลว่าการตั้งเป้าหมายของการกระทาของเราว่าเราจะทำอะไรกันเช่นเราจะทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันนี้แหละเราต้องตั้งกันถ้าเราไม่ตั้งกันเราก็จะไม่ทำกันเหมือนกับวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งกันว่าวันนี้เราจะมาเจริญปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีเกิดจากอะไร ท่้นต้นก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังความรู้ของพระพุทธเจ้าคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องตั้งอธิษฐานไว้ว่าก่อนที่เราจะมาที่นี่เราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้เราจะมาวัดกันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้แหละแปลว่าอธิษฐานบา ร, รมีเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั้ง ตั้งเป้าเอาไว้วันนี้เราก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่ก็ได้เช่น<ม>เราวันนี้วันเสาร์วันหยุดไม่ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็เลยอยู่บ้านเฉยๆไป<ม>ถ้าเราไม่ได้ตั้งว่าเราจะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่ได้มาวันเราก็จะอยู่บ้าน<ม>หรือเราอาจจะไปที่อื่นก็ได้ถ้ามีเพื่อนฝูง โทมาเรียกมาชวนว่าวันนี้มีกิจกรรมที่นั่นที่นี่ไปไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะมาวาดัดมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไปกับตามคําเชิญของเพื่อนฝูงก็ได้ <c oughs> การตั้งเป้าไวน้นี้การอธิษฐานนี้มีความจําเป็นมีความสําคัญเพราะมันจะบังคับเราให้เราต้องไปกระทําในสิ่งที่ เรารู้ว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเช่นการฟังเทศฟังธรรมนี้ถือว่าเป็นการเจริญปัญญาบา ร, รมีในระดับเบื้องต้นถ้าเราไม่ได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าเราจะไปฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะไม่ได้ไปฟังกันนี่คือสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องมีก็คืออธิษฐานเราต้องมีความชัดเจน ในเป้าหมายของชีวิตของเราว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนเราจะเดินไปในทิศทางของลาบยศสารเสริญสุขหรือเราจะเดินไปในทิศทางของบา ร, รมีของบุญบา ร, รมีอันนี้เราต้องมีอธิษฐานเราถึงจะแยกแยะได้ถ้าเราไม่มีอธิษฐานใจเราจะโลเลบางวันก็อยากจะไปทำบุญทำทานไปฟังเทศฟังธรรมบางวันก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง บางวันก็อยากจะไปหาเงินห า, หาทองหายอหาตําแหน่งกันมันแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดในแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนคพืออธิษฐานว่าชาตินี้เราจะไม่ทําอะไรแล้วเราไม่ต้องการที่จะไปหาความสุขความเจริญแบบชั่วคราวแบบที่จะทําให้เราจะต้อง เศร้าโศกเสียใจในภายหลังเราจะไปหาความสุขความเจริญทางด้านจิตใจด้วยการสร้างบุญบารมีต่างๆอันนี้แหล ะ, ะคือความหมายของคำว่าอธิษฐานเราต้องมีการกำหนดทิศทางของชีวิตของเราว่าเราจะเอาทิศทางไหนกันจะไปทางโลกหรือจะไปทางธรรมถ้าเราไม่ ตั้งเป้าหมายไว้มันก็จะโลเลยมันก็เลือกได้เปลี่ยนได้วันนี้อยากจะไปทางโลกก็ไปทางโลกเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะไปทางธรรมก็ไปทางธรรมถ้าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหนมันก็จะไปไปมามาไปแล้วกลับกลับแล้วไปเพราะทางธรรมกับทางโลกนี้เป็นทางที่ไปคนละทิศกันสวนทางกันถ้าไปทางธรรมนี่เราเรียกว่าไปทางข้างหน้า ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงถ้าเราไปทางโลกเราก็ไปสู่ความสุขความเจริญที่ปลอมที่ชั่วคราวนี่คือความหมายของอธิษฐานถ้าเราไม่มีอธิษฐานเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราตอนนี้เราได้มาเรียนธรรมะแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องของทางเลือกของชีวิตของเราแล้วว่า เรามีทางเลือกอยู่สองทางด้วยกันทางโลกและทางธรรมทางโลกก็เป็นทางความสุขแบบชั่วคราวและจะจบลงด้วยความทุกข์เสมอหรือถ้าทางธรรมก็เป็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรแต่ก็ต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเพราะการที่จะปฏิบัติธรรมแต่ละขั้นได้นี้ต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆคือ อิกิเลตันหาที่คอยขวางขวางกั้นทางตลอดเวลานี่คือความหมายของอธิษฐานบารมีคือเราต้องชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตของเราของการกระทาของเราว่าเราจะเอาอะไรเอาอะไรกันแน่เอาทางธรรมหรือเอาทางโลกเมื่อเรามีอธิษฐานแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีคือต้องมีสัจจะ ความแน่นอนความจริงใจอย่าไปตั้งแล้วแบบล้มตั้งแล้วก็เปลี่ยนใจอันนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนต้นตั้งใจจะไปทางธรรมพอลองไปอยู่ว่าได้สามวันเจอความทุกข์เจอความเหงาเจอความว้าเหวก็ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจกลับไปทางโลกไปอยู่กับเพื่อนฝูงไปหาความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสันดีกว่าถ้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะ สัจจะก็คือความจริงใจความแน่วแน่ไม่โกหกตัวเองไม่โกหกถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไปทางธรรมแล้วเราก็จะต้องยึดทำตามที่เราตั้งใจเราต้องมีสัจจะเราต้องจริงใจอย่าเปลี่ยนใจการเปลี่ยนใจนี้เรียกว่าเป็นการไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะก็จะเป็นอยจะคอยเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆ สามวันดีสี่วันไขวันไหนอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไปทางธรรมวันไหนไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ไปอย่างนี้เราต้องมีสัจจะเราต้องมั่นคงต่อความตั้งใจของเราเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ภายใต้โคนต้นโพนี่พระพุทธเจ้าก็อาศัยสัจจะอธิษฐา น, นทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่า เราจะนั่งอยู่ที่ตรงนี้ปฏิบัติภาวนาไปจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์จนกว่าเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราจะไม่ลุกจากที่นั่งที่นี่ไปถึงแม้ว่าเ่เลือดในภายในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ตามคือหมายถึงว่าถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปถ้ายังไม่ได้บรรลุ ถ, ถึงเป้าหมาย พระ อ, องค์จะไม่ยอมเลิกการภาวนา<ม>การปฏิบัติจะปฏิบัติให้มันถึงที่สุดให้ได้ถึงจะหยุดนี่แหละเป็นตัวสำคัญในการที่จะผลักดันให้การปฏิบัติสร้างบารมีขั้นต่างๆของเรานี้เป็นไปได้จะไม่หยุด จะไม่มีการถดถอยจะมีแต่การพุ่งไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวต้องมีตัวผักดันสีน่ตัวด้วยกันสองตัวแรกนี้ก็คืออธิษฐานและสัจจะบารมีตัวที่สามก็คือวิริยะาบารมีความภาคเพียรการที่เราจะทำตามที่เราตั้งใจไว้ได้ น, นั้นเราต้องมีการกระทำ ไม่ใช่ตั้งใจไว้แล้วก็อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรพอถึงเวลาที่จะต้องสร้างบา ร, รมีนั้นบา ร, รมีนี้เราก็ไม่สร้างกันถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ไปฟังเทศฟังธรรมกันอย่างนันก็เรียกว่าตั้งไวโ้โก้ตั้งไว้หลอกตัวเองว่าฉันมีความตั้งใจที่จะไปทางทางธรรมนะแต่ไม่มีการกระทํา ต้องอาศัยวิริยะบารมีคือความภาคเพียรต้องขยันอย่าขี้เกียจต้องขยันทมต้องขยันสร้างบารมีต่างๆเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนตข ม, มบารมีต้องมีความเพียรถึงจะทำได้ <Yeah. S 1> ความเพียรพยายามนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ อย่างที่ทรงตัดไว้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรเท่านั้นถ้าไม่มีความเพียรเป็นตัวผลักดันแล้วการปฏิบัติจะไม่มีการคืบหน้า<ม>จะอยู่กับที่ไปเรื่อยๆ<ม>อยนั้นเราต้องมีความเพียรพยายามพยายามทาบุญบรารมีตั้งแต่เราเติ่นขึ้นมาจนดับพยายามทาข้อใดข้อหนึ่ง<ม>สร้างบรารมีต่างๆขึ้นมา เราสามารถทำได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเ่อันนี้ต้องมีวิริยะบารามีเป็นตัวสนับสนุนแล้วตัวที่สี่ที่จะช่วยผลักดันไม่ให้ไม่ให้ถดถอยอก็คือขันติบารามีขันติแปลว่าความอดทนเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จะต้องมีการละเว้นการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย จำเป็นที่ต้องอยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แบบนอนกับดินกินกับทรายอันนี้จะเป็นเป็นความทุกข์ยากลำบากในการปฏิในทางร่างกายแต่จะเป็นการเอื้อเป็นการสนับสนุนในการเจริญปัญญาบารามีอุเบกขาบารามีจำเป็นที่จะต้องอละการหาความสุขทางร่างกาย ต้องอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่ปราศจากความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายซึ่งถ้าไม่เคยไม่เคยทำนี้เวลาที่ไม่ได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นแล้วนี้จะมีความรู้สึกทุกทรมานใจเป็นอย่างมากถ้าไม่มีขันติบารมีคือความอดทนแล้วจะทนสู้ไม่ไหวจะต้องยกทงยกทงขาวแล้วก็ กลับไปอยู่แบบเดิมดีกว่าถึงแม้มันจะเป็นความสุขชั่วคราวถึงแม้ว่ามันจะต้องจบด้วยความทุกข์ความทรมานใจก็อย่างน้อยก็ตอนนี้มันก็ยังมีความสุขได้อยู่ไว้ตอนรอเวลาที่มันทุกข์ทรมานใจแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะเอากันอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีกันสี่ข้อ ก็คืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีละขันติบารมีถ้าเรามีสข้อนี้แล้วเราก็จะสามารถมาสร้างบาลมีที่จะพัฒนาที่จะยกระดับจิตใจของของจิตใจนี้ให้สูงขึ้นไปตามลําดับได้บารมีข้อแรกที่เราต้องเจริญกันสร้างขึ้นถ้าเราอยากจะยกระดับ จิตใจของเราให้สูงขึ้นนั้นก็คือเมตตาบารมีเมตตาบารมีนี้เป็นเหมือนรากฐานของตัวอาคารที่จะทำให้เวลาเราสร้างอาคารขึ้นมานี้มันแข็งแรงไม่ล้มไม่ไม่ซุดถ้ารากฐานไม่แข็งแรงไม่ตอกเสาเข็มไว้นะเกิดน้ําหนักมันมากกว่าน้าหนักก็กว่าแรงของของพื้นดินจะรับได้พื้นดินก็จะซุด พอสุดตัวอาคารก็จะสุดจะถล่มลงมาได้ดนั้นรากฐานของการพัฒนาจิตใจนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำกันก็คือเราต้องสร้างเมตตาบามีขึ้นมาวิธีสร้างเมตตาบามีนี้ท่านก็สอนไว้อยู่สี่ลักษณะด้วยกัน<ไ>ข้อ1หนึ่งก็คืออเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกัน เวลาเกิดความผิดพลาดเกิดความไม่พอใจต่อการกระทำของผู้ใดผู้หนึ่งที่อาจจะทำสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราจะไม่เอาเรื่องเขาไม่จองเวรกันเราจะให้อภัยเขายกเลิกไปอย่าไปมีเรื่องมีราวกันอย่าไปโกรธไปเกลียดกัน เพราะความโกรธความเกลียดมันยังทำให้เป็นอุปสรรคในการสร้างบา ร, รมีข้ออื่นๆจะสร้างทานบา ร, รมีก็ยากถ้าเรามีความเกลียดจะสร้างศีลบา ร, รมีก็ยากดังนั้นเราต้องข้อที่หนึ่งของเมตตาบา ร, รมีก็คือเราต้องให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันสัเพสตาอเวราหหนตุ ข้อที่สองอานิคะอัพยาปชาโหนตุนือไม่เบียดเบียนกัน <c oughs> คือการดำรงชีวิตของเรานี้เราจะไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าการกระทําของเรามันจะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนเราก็ต้องไม่ทํา <c oughs> เราต้องเปลี่ยนวิธีใหม่มันเป็นบัคเกเต ในโลกนี้เรายังต้องเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เราต้องทำมาหากินแต่การทำมาหากินของเรานี้อย่าไปทงความเสียหายเดือดร้อนกับกับผู้เช่ <Yeah. S 1> นอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการเลี้ยงชีพ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะถือว่าเป็นการขาดความเมตตาผู้ที่มีความเมตตานี้จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนผู้ yeah. ข้อที่สามก็คืออนิคาโหนตุไม่ทำให้ผู้อื่นทุกข์กายหรือทุกข์ใจเวลาเราทำอะไรนี่บางทีเราอาจจะไม่คิดรอบคอบทำไปแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียใจทุกข์ใจเดือดร้อนใจหรือทำให้ร่างกายเขาเจ็บปวดขึ้นมาก็ได้เนี่เราต้องมีความระมัดระวัง <c oughs> ถ้าทำไปแล้ว ก็เอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปเราอย่าทำแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะการไปทำให้ผู้อื่นรับทุกกายทุกใจนี้เป็นการไม่ใช่เป็นความเมตตาแต่เป็นความโหดร้ายทารณุณ <c oughs> มันจาทาให้การสร้างบารมีอื่นๆของเรานี้เป็นไปได้ยาก <c oughs> และข้อสุดท้ายของการมีความเมตตาก็คือ สุขีอัตนาังตอริหะรันตุ ok. ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขก็คือเราต้องให้ความสุขกับผู้อย่าไปให้ความทุกข์วิธีให้ความสุขอย่างไรก็เวลาพบปากกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันยกมือไหว้กันหรือถ้ามีของฝากกันมีของแจกกันได้ยิ่งดี เพราะคนเราชอบของแจกของฟรีกันทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> พอได้รับของแจกของฟรีนีเราจะรู้สึกดีใจมีความสุขขึ้นมาเป็นการสร้างมิตรภาพ <c oughs> แทนที่จะเป็นศัตรูกันเราก็จะเป็นมิตรกันถ้าเราถ้าเราให้ความสุขกับผู้อื่นถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้ของเหลือกินเหลือใช้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้เอาไปเอามาสร้างเมตตาบารมีกันดีกว่าเอามาแจกจ่ายกันมาสงเคราะห์กันเมตตาขมจุนโลกเห็นอันนี้โลกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นผาสุขถ้าเราทุกคนมีความเมตตาต่อกันถ้าเราไม่มีความเมตตาต่างคนต่างเห็นแก่ตัวไม่สนใจถึงความทุกข์ยากลําบากของผู้ ผู้ที่เขาทุกข์ยากลําบากเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบาก mm hmm. เขาก็อาจจะมาสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราก็ได้เพ mm hmm. ราะเมื่อเขาไม่มีจะกินจะให้เขาทำอย่างไร mm hmm. เขาก็อาจจะต้องมาลักมาขโมยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราไปก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเราคอยช่วยเหลือกันมีอะไรก็พอแบ่งกันไป พอให้เขามีกินมีใช้มีอยู่ไปได้เขาก็จะได้ไม่ต้องมาสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับเราลอกเราจะอยู่กันอย่างโ่มเย็นเป็นสุขได้เพราะเรามีความเมตตาต่อกัน ใ, ให้ความสุขต่อกัน <c oughs> น, น, นี่คือวิธีเจริญเมตตาบารมีมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันเวลาเกิดปัญหาขึ้นมา ข้อสองก็อย่าไปเบียดเบียนกันทามาหากินเลี้ยงชีพของเราให้อยู่รอดก็อย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนแล้วไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามต้องระมัดระวังอย่าไปทําให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจแก่ผู้อื่น <c oughs> แล้วก็ข้อสี่ถ้าเรามีสิ่งที่เราจะแบ่งปันกันได้แจกจ่ายกันได้ให้กันได้ก็แบ่งกันไปหรือช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปตามกําลัง อันนี้คือเมตตาบารมีและการแผ่เมตตาบารเมยนี้ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดอย่างที่พวกเราเข้าใจกันบางท่านเข้าใจกันคิดว่าเวลาเรานั่งสมาธิเสร็จสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาด้วยการสวดสัพเพสัตตาเวลาหหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรไม่มีกรรมกันเถิดอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่นะ เป็นการสวดเป็นการซ้อมหรือเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องให้ความอภัยต่อกันแล้วกันเวลาที่เกิดปัญหากันเวลาที่เกิดความเกลียดชังเกิดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเราต้องใช้ความเมตตามาละลายความโกรธเกลียดนี้ด้วยการให้อภัยถ้าเราไม่สวดไม่ซ้อมเอากันไว้ก่อน ไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาแล้วอาจจะแผ้ไม่ออกทําไม่ได้ <S <S เราก็เลยต้องมีการ <c oughs> ซ้อมกันไว้ก่อนเหมือนกับนักมวยเนี่ยนักมวยก่อนที่จะขึ้นเวทีโชคนี้เขาต้องซ้อมก่อนซ้อมโชค ก, กรสรอบทรายซ้อมโชค ก, กับคู่ซ้อมไปก่อนให้รู้วิธีต่อยว่าต่อยอย่างไรทําอย่างไรพอเวลาขึ้นไปบนเวทีเจอค่าศึกศัตรูเจอของจริง <c oughs> จะได้ต่อยให้ชนะได้ฉะนั้นไดเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมวิธีแผ่เมตตาว่าเราต้องให้อภัยเราต้องไม่เบียดเบียนเราต้องไม่ทำให้ผู้อื่นทุกข์กายทุกข์ใจเราต้องไม่เราต้องให้ความสุขกับผู้อพอเราไปเจอของจริงตอนที่เราไปพบปะกันไปเจอเหตุการณ์จริง <c oughs> พอใครเขาทำให้เราเสียหายเดือดร้อนแทนที่เราจะโกรธเขา อาฆาตพยาบาทเขาเราก็ให้อภัยเขาไปการอาฆาตพยาบาทนี้มันไม่ดีมันทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนและมันจะดึงใจให้เราตกต่ำเพราะเมื่อเราอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องล้างแค้นการล้างแค้นก็เป็นการกระทำบาปนี่เองเมื่อกระทำบาปแทนที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นมันก็กลับทดึงจิตใจของเราให้ลงต่าได้ จากมนุษย์นี้เราก็จะลงจากมนุษย์มาเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายและเป็นนรกตามลำดับตามกำลังของการทำบาปของเรา <c oughs> นี่คือเรื่องของเมตตาบรารมีสิ่งที่พวกเราทำได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมหรือเป็นพระไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เราสามารถทำกันได้ แลวเราควรที่จะสอนผู้ที่เขาอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเรา mm hmm. เช่นลูกหลานเราสอนให้เขารู้จักความเมตตาสอนให้เขารู้จักการให้อภยัยสอนให้เขารู้จักการให้ความสุขกับผู้อื่นแบ่งปันกันช่วยเหลือกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำกันถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและป้องกันไม่ให้จิตใจของเราลงต่า สิ่งที่จะทำให้จิตใจเราลงต่ำก็คือการกระทำบาปวิธีป้องกันการจะ่ทำให้ใจเราไม่ลงต่ำเราก็ต้องสร้างศีลบารมีขึ้นมาศีลก็คือการละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงนั่นเองศีลก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันที่จะป้องกันไม่ให้เราทำให้จิตใจเราตกต่ำจากการเป็นมนุษย์เราต้องการจะขึ้นสูงเราไม่ต้องการลงต่ำ เนีย่ยเบื้องต้นเราต้องปิดทางลงต่ำก่อนปิดประตูบายก่อนสิ่งที่จะมาปิดประตูบายได้ก็คือการรักษาศีลห้านี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาหรือสิ่งที่เป็นสารสารที่ทําให้เกิดอาการมึนเมาไม่สามารถควบคุมการกระทําการพูดของตนได้ ถ้าเวลาเกิดอาการมึนเมาเราจะทำให้ทำบาปได้ง่ายถ้าเวลาไม่เมานี้จะทำให้ยากเพราะมีสติคอยคอยรู้คอยเฝ้าดูการขึ้นไหวคอยเฝ้าดูการกระทาพอรู้ว่าจะไปทำบาปก็จะได้ระงับได้ทันท่วงทีดังนั้นก็ต้องอย่าไปเสพของมึนเมาทั้งหลายเพราะเมื่อมีเสพไปแล้วจะทำให้เกิดอาการมึนเมาขาดสติไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทาของตนได้ น, นี่คือบารมีข้อที่สองจากเมตตาบารมีเราก็มาสร้างศีลบารมีกันปิดประตูบายกันอย่าให้จิตใจเราลงต่าให้จิตใจเราขึ้นสูงขึ้นตอนนี้เราเป็นมนุษย์อย่าดึงใจให้เราเป็นเดรัจฉานอย่าดึงใจเราให้ลงต่าเป็นเลเป็นอสูรกายเป็นนรกกัน เหตุที่พาให้เราไปเป็นสัตว์นาบายต่างกันก็เพราะเหตุผลถ้าเราทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานพวกเดรัจฉานนี้เขาไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเขารู้แต่วิธีเลี้ยงเลี้ยงชีพของเขาให้ให้อยู่รอดการอยู่รอดของเขาก็ต้อง ฆ่าผู้สัตว์สัตว์นี้จะฆ่ากันเพื่ออยู่รอดถ้ามนุษย์เราทําแบบเดียวกันมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ไม่ต่างจากการเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เวลาถ้าเราตายไปใจเราก็จะเป็นจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราทําบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงคิดว่าไม่เป็นไรเป็นในการเลี้ยงชีพทุกคนต้องเลี้ยงชีพแล้วก็เป็นอาชีพที่กฎหมายเขาไม่เอาผิดเนี่ย กฎหมายก็ไม่เอาผิดถ้าเราไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ออกมาเลี้ยงชีพไม่จับเราเข้าคุกเข้าตารางอันนี้มันก็จะทำให้เรากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปถึงแม่ร่างกายเราจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี้ไม่ต่างจากสัตว์เดราาัจฉานพอร่างกายนี้ตายไปพอไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดราาัจฉานแทนนันนี การถ้าเรามีถ้าเรามีศีลเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะมีมีสัมมาอาชีพอาชีพของเรานี้จะต้องไม่ไปทำให้ผู้อื่เขาเสียชีวิตไม่เป็นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็ป้องกันได้ไม่ให้เราไปเป็นสัตว์เดรละชานส่วนถ้าเราทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆอย่างมีมากๆทั้งๆที่พอมีพอกินอยู่แล้วแต่อดไม่ได้อยากร่ำอยากรวย อยากเด่นอยากดังถ้าต้องทำให้เด่นให้ดังอยากให้ร่าให้รวยต้องทำด้วยการกระทำช่อโกงหรือหลอกลวงหรือทำรา้ายพูนฆ่าพูดถ้าทำลงไปด้วยความโลภใจก็จะเป็นเปรตขึ้นมาเปรตนี้มีแต่ความหิวโหวยมีความโลภความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความโลภความอยากนี้ไม่ทาให้จิตใจอิ่มพอแต่จะกลับทาให้โลภมากขึ้นอยากมากขึ้น ได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาได้ได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้เหมยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้ร้อยล้านก็ยังไม่พอก็อยากจะได้พันล้านอันนี้แหละถ้าถ้าได้มาด้วยวิธีทาบาปก็จะไปเป็นเปรยแต่ถ้าได้มาโดยวิธีสุจริตนี้ไม่เป็นเปรยเป็นกิเลส ทำให้จิตใจนี้ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองเท่าไหร่ก็ยังไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นอร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่ได้ทําให้จิตใจเจริญจิตใจเจริญถ้าเมื่อเราเอาเงินที่เรามีเหลือเฟือนี้ไปทําบุญทําทานถึงยยกระดับจิตใจได้นี่ก็คือข้อที่สามคือทานบา ร, รมีเอ อันนี้พูดถึงเรื่องอบายสี่เมื่อกี้ไปเป็นเดรัจฉานเพราะทำบาบด้วยความหลงเป็นเปรตเพราะทำบาบด้วยความโลภเป็นอสุ ร, รกายเพราะทำบาบด้วยความกลัวกลัวจะถูกเขาทำร้ายเราเราเลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็เรียกว่าจะทำให้ตัวเองไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสุ ร, รกาย แล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใครทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธเกลียดเราบางครั้งอาจจะถึงกับฆ่าเขาก็ได้ถ้าฆ่าเขานี้ก็จะทำให้ไปนรกนี่คือการทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าเรามารักษาศีลห้าได้เราก็จะปิดประตูอบายได้ถ้าเราต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ถ้าเรารักษาศีลเราก็จะไม่ ทำวิธีที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือชอบโกงหรือรักทรัพย์ของผู้หรือหลอกลวงผู้รเราก็จะไม่ไปอบายนี่คือประโยชน์ของการเจริญศีลบา ร, รมีแล้วถ้าเรามีความเมตตาอยู่เป็นพื้นฐานเราก็จะไม่ชอบทําบาปอยู่แล้วก่อนที่มีความเมตตานี้จะไม่เบียดเบียนผู้จะไม่สร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้แก่ผู้ การมีเมตตาบารมีนี้จะทําให้ง่ายต่อการที่เราจ ะ, จะเจริญศีลบารมีหรือไม่ทําบาปแล้วก็จะทําให้เราง่ายต่อการสร้างทานบารมีถ้าเกิดเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้หรือต้องใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอามา สร้างทานบารมีกันมายกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสูงจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเบื้องต้นเราต้องปิดประตูบายก่อนด้วยศีลไม่ให้ลงต่ําแล้วเราก็ยกระดับจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพด้วยการสร้างทานสร้างทานบารมีทําบุญทําทานใช้ตามกําลังของเราไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นก็ทํามากทําน้อยนั้นมันเรื่องของเขา มันอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่กําลังของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันแต่บุญบรารมีที่ได้มันก็ได้เหมือนกันโดยที่ไม่ไจําเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองเท่ากันถึงจะได้ได้ได้ผลเท่ากันมีมากมีน้อยก็ทําไปตามกําลังของเราทําด้วยศรัทธาทําเพื่อยกระดับจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาก็คือการทําบุญทําทานแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่า ร, ระดับเทวดา คือระดับของพรหมเราก็ต้องมาสร้างบารมีที่เรียกว่าเนธขมภะบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีเนธขมภะแปลว่าเราต้องยุติการหาความสุขทางกรมัทางทางกรมคุณหคือทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะนี่เป็นความสุขของของมนุษย์และของเทพแต่ของพรหมนี่จะต้องหาความสุขอีกวิธีหนึ่ง คือหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการไปภาวนาไปเจริญสตินั่งสมาธิพอทำใจให้สงบเป็นรูปประชานขึ้นมาหรือเป็นอรูปประชานขึ้นมาใจก็จะเป็นพมขึ้นมาเป็นอรูปประพมเป็นรูปประพหรืออรูปประพรมขึ้นมาจะจะไปเป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมหน้นี้จำเป็นจะต้องเจริญนิคัมมะบารมี คือการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นไปบวชบวชชั่วคราวก็ได้บวชถาวรก็ได้บวชชั่วคราวก็ถือสินแปดหรือสินสิบหรือถ้าเป็นพระก็บวชสองอยบข้อถือศินสองอีข้อเว้นวิธีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการจเจริญสตินั่งสมาธิพอใจสงบเข้าฌานได้ ใจก็เปลี่ยนจากเทพมาเป็นพรหมได้อันนี้คือขั้นขั้นขั้นที่ที่มีความสุขเหนือกว่าขั้นของเทพและสูงกว่าขั้นของเทพแต่ยังมีขั้นหนึ่งที่สูงกว่าขั้นของพรหมก็คือขั้นของพระอริยเจ้าขั้นของพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์การที่จะขึ้นสู่ขั้นนี้ได้ต้องเจริญปัญญาบารมี ต้องเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เราตัดตัดกิเลสของเราคือความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะคอยดึงให้เราติดอยู่กับโลกของที่เรากำลังอยู่กันเราอยู่ในระดับไหนมันก็จะดึงให้เราอยู่ในระดับนั้นถ้าเราอยากจะให้เราจิตใจเราสูงขึ้นให้เราออกจากระดับของมนุษย์ระดับของเทพระดับของพรหม เราจะต้องเจริญปัญญาให้เห็นว่าวิธีหาความสุขของมนุษย์ของเทพของพรหมนี้ยังไม่ใช่เป็นวิธีที่ที่ถาวรที่แท้จริงวิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงของให้กับจิตใจก็คือการลากกิเลสให้หมดไปจากใจการลากความโลภความอยากต่างๆไม่แสวงหาความสุขแบบมนุษย์ไม่หาความสุขแบบเทพไม่หาความสุขแบบพรหม จะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความว่างให้ได้ตัดความอยากให้หมดทิ้งไปจากใจเพราะเห็นโดยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจที่จะทำให้ใจนี้ไม่สามารถมีความสุขได้อย่างตลอดเวลาถ้าตัดความอยากหมดไปจากใจได้และเห็นว่าสิ่งที่ทาให้สิ่งที่ใจอยากนั้นมันก็เป็นของไม่เที่ยง เช่นรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เที่ยงรูปประชานก็ไม่เที่ยงอรูปประชานก็ไม่เที่ยงเวลาได้มันก็มีความสุขเวลาไม่ได้มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องตัดมันไปให้หมดตัดด้วยปัญญาด้วยเห็นความจริงว่าเป็นตายรักทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าความสุขในรูปแบบไหนก็เป็นตายรักษทั้งนั้นพอตัดได้หมดตัดความอยากหมดไปอยากใจใจก็จะสงบนิ่งโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุข อันนี้หละจะเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงที่เรียกว่าความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขังอยู่ที่การละความอยากละ ก, กิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้พอละได้หมดแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีอีกต่อไปและความทุกข์ที่เกิดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเพราะว่า ที่พาให้ไปเกิดคือความอยากนั้นไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะอยู่แบบที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่กับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรไปตลอดนี่คือการยกระดับจิตใจสู่ขั้นสูงสุดต้องอาศัยการสร้างบา ร, รมีต่างๆคือเมตตาบา ร, รมีศีลบา ร, รมีทานบา ร, รมีเนฆา ม, มบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีและปัญญาบา ร, รมี และการที่จะสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ได้ต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีและขันติบา ร, รมีเป็นตัวผลักดันถ้าไม่มีตัวผลักดันก็จะไม่เกิดไม่มีการกระทาถ้าไม่มีการกระทาก็จะไม่มีผลตามมานี่ก็คือเรื่องราวของการพัฒนาที่แท้จริงที่ยั่งยืนให้คือการพัฒนาทางด้านจิตใจ ด้วยบารมีทั้งสิบประการที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกา ป, ปติ อิชิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปน r ระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจฉาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตายุสุขีทิขายุโกภว อาพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลาังช่วงตอ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย จะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทูบวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ กรับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มหนากุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ451ท่าน u t ท b e พระสุชาติไลฟ์295 YouTube Dr.V Channel 62วิทยุออนไลน์7 Club House 8นาคุด172รวมทั้งหมด992ท่านค่ะมีผู้ฝากคำถามมาจากทางบ้านค่ะ โยมมีรูปครูบาอาจารย์หลายท่านวิดีโอเทปแผ่นซีดีกันเทศและแผ่นพิมพ์พระธรรมเทศนาเก่าๆต่างๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ไม่มีใครรับช่วงนำไปเก็บรักษาหรือบูชาต่อโยมจะต้องปฏิบัติเช่นไรในการดำเนินการทำลายเพื่อไม่ให้เสียความเคารพและเป็นบาปกรรมกับโยมต่อไปคะก็เก็บไว้ต่อไปท่านเอง เก็บมาได้เ็เก็บไปตายไปเดี๋ยวคนหนึ่งเขาก็จัดการให้เราเอง <c oughs> ไม่ต้องห่วงกังวลค่ะคำถามถัดไปค่ะแฟนมีอาการนอนไม่หลับแบบกระทันหันคือถ้านอนหลังสามทุ่มจะนอนไม่หลับเลยต้องกินยามาสี่ห้าปีแล้วมีอาการปวดขาปวดหลังมีอาการร้อนเหมือนไฟไหมตอนนี้รักษากระหมอระบบประสาทกินยาและติดตามอาการอยู่ตลอดครับอาการ <c oughs> อาการข้างเคียงของยาจะทำให้ท้องผูกด้วยอยากขอพระอาจารย์ช่วยให้ธรรมะในการรักษาใจให้สามารถอยู่า ก, ายกับอาการเหล่านี้ด้วยครับเราไปแก้ปัญหาแบบผิดทางไปกินยาอะไร้วนี้มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาปัญหาก็คือร่างกายบางทีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็อยากนอนบางทีมันก็ไม่อยากนอน ถ้ามันอยู่ในช่วงที่มันไม่อยากนอนก็อย่าไปนอนสิลุกขึ้นมาทำอะไรไปก็ได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือทำอะไรไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็อยากจะนอนเองเลยที่ปัญหาคือเราอยากจะไปบังคับให้มันนอนตอนที่มันไม่อยากนอนตอมันไม่อยอมนอนเราก็เลยเอายาไปบังคับมันอีกมันก็เลยยิ่งไปทาให้กายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่โตขึ้นมา พิธีที่เราจะจัดการกับเรื่องอะไรนี้ง่ายมากไหวไปตามความต้องตามตามตามสภาวะของร่างกายเอาไว้ที่หลังเลยไหมตอนนี้ตามสภาวะของร่างกายหรือเอามาถวายเลยก็ได้จะได้จบจบไปเอาวางไว้เออ ถ้ามันไม่อยากนอนก็อย่าไปบังคับมันยิ่งยิ่งไปกดมันมันยิ่งมันก็ยิ่งต่อต้านใหญ่ดันั้นถ้าไม่อยากจะนอนก็ถ้าเราก็ลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ทามันไปเดี๋ยวสักพักมันก็ง่วงเองแหละพอง่วงมันก็นอนได้ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนบังคับร่างกายแล้วมันจะเกิดปัญหาตามขึ้นมายาว ถ้ามันไม่อยากจะนอนก็ลุกขึ้นมาทําอะไรออกกําลังกายวิ่งนู่นทํานู่นทํานี่ไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็อยากจะนอนเองแหละสาเหตุของการที่มันไม่นอนมันก็มีหลายสาเหตุบางทีก็อยู่ที่การที่เราไปดื่มของเครื่องดื่มที่มันกระตุ้นประสาทมันก็ทําให้นอนไม่หลับหรือมันเครียดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทําให้เรานอนไม่หลับได้เพรั้นถ้าเรา ค้นหาสาเหตุเหล่านี้ดูถ้าสาเหตุใดที่เราแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ก็อยู่ก็เหมือนไปให้มันมันไม่นอนก็ไม่นอนไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสักพักมันก็ต้องพักร่างกายเราถ้ามันไม่ให้นอนมันสักสาวันห้าวันเดี๋ยวมันก็ต้องหลับเองะถึงเวลาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับเนี่ยต้องศึกษาเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอนัตตา มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศเนี่ยเราไปบังคับดินฟ้าอากาศไม่ได้ผลจะตกแดดจะออกนี่เราไปห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันจะง่วงไม่ง่วงเราก็ไปบังคับมันไม่ได้เราต้องทําตามที่มันต้องการถ้ามันง่วงมันก็หลับก็ให้มันหลับไปถ้ามันไม่ง่วงก็ไม่ต้องนอนลุกขึ้นมาทําอะไรไปเรื่อยๆจนกว่าเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็มันง่วงมันก็ต้องหลับเองไม่ชติก็เร็วใจเย็น บางทีเราใจร้อนเราอยากจะไปควบคุมบังคับให้ร่างกายทำตามความอยากของเราพอเราควบคุมไม่ได้เราก็เครียด mm hmm. ความเครียดนี้ที่ทำให้เรายิ่งทำให้เรานอนไม่หลับใหญ่งั mm hmm. ้นอย่าไปเครียดกับร่างกายต้องเข้าใจร่างกายร่างกายมันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ mm hmm. มองช่วงมันก็อยากจะนอนก็นอนมางช่วงไม่อยากจะนอนก็ไม่ต้องนอนท mm hmm. ่านั้นเอง แล้วปัญหามันจะไม่ไม่ยืดยาวถ้เาเรามากินยาแล้วก็ติดยายแล้วก็มีความไม่มั่นใจเวลาเวลาไม่ได้กินยาแล้วกลัวจะนอนไม่หลับอีกมันก็เลยกลายเป็นโรคติดยาไปเสอีกแล้วยามันก็มีผลข้างเคียงเป็นแทนที่จะไปแก้ปัญหากลับไปเพิ่มปัญหาให้กับตัวเองใช้ธรรมะบาบัดธรรมะโอสถบําบัดคือเข้าใจใช้สติใช้ปัญญา เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเขาก็ง่วงบางทีเขาก็ไม่ง่วงทําตามใจเขาบ้างอย่าเอาตัดใจเราเป็นอย่างเดียวเราจะอยู่ร่วมกันอย่างพาสุดดูเขาทำเพิ่มอีกนิดนะคะพระอาจารย์การปฏิบัติ คำถามเดิมจากท่านเดิมเนี่ยค่ะนอกจากอาการนอนไม่หลับแล้วจะมีอา <conventional ello soft dragon> การทางกายอย่างอื่นเช่นปวดขาปวดหลังอาการร้อนเหมือนไฟไหม้เนี่ยแล้วก็ทำใจให้เหมือนกับมองให้เหมือนกับเป็นอาการนอนไม่หลับก็คือเป็นอนัตตาอย่างนั้นเหมือนกันหรือเปล่าคะเพราะเขาอาการต่างๆของร่างกายก็เหมือนเหมือนกับดินฟ้าอากาศไปแปรปรวนอันนี้จางไม่เที่ยงแปรปรวนไปเรื่อยๆสามวันดีสี่วันไข้ ค, ค่ะคำถามจากผู้รับฟังหน้าคูดค่ะมีบุคคลที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยมาสองปีโทรมายืมเงินเป็นจํานวนมากเขาเป็นคนที่เชื่อว่าดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าดีจริงไหมจะเอาเงินไปให้พ่อตาซึ่งเป็นสโตร k ออกจากโรงพยาบาลเอ ก, กชนไปโรงพยาบาลรัฐเราควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรดีคะ กราอยู่ที่ว่าเราอยากจะเสียเงินไม่เสียเงินเราเสียก็ให้เข้าไปแล้วอย่าไปหวังเอาคืนคิดว่าทําบุญทําทานไปเพราะส่วนใหญ่ให้แล้วมักจะไม่ได้คืนแต่ถ้าเราไม่อยากจะเสียเงินก็ปฏิเสธไปบอกว่ามาผิดที่จะเอาเงินลงไปที่ธนาคารที่นี่ไม่ใช่ธนาคารก็จบ ถามจาก้างเฟซบุ๊กค่ะการตั้งจิตใจไม่ยินดียินร้ายต้องตั้งใจภายในว่าต้องตั้งใจภายในว่าสักวันเราก็ต้องตายชีวิตนี้ไม่เที่ยงถูกต้องไหมคะก็ส่วนหนึ่งว่าเราที่ก็ควบคุมบังคับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เหตุการณ์จะดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็หัดอยู่กับมันไปรับมันไปเราก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเรามีความอยากให้มันดีอย่างเดียวเราก็จะดิ้นรน ตอบสู้แล้วเราก็จะเหนื่อยเนั้นพยายามมองชีวิตว่าเป็นเป็นปรากฏการทางธรรมชาติชีวิตเรามีขึ้นมีลงมีทุกข์มีสุขสลับกันไปสลับกันมาเราไม่ต้องไปทําอะไรหรอกทาใจให้เรานิ่งอย่าไปเดือดร้อนกับมันก็พออันนี้สําคัญกว่าถ้าใจเราไม่เดือดร้อนแล้วใจเราจะมีความสุขทาํากลางความทุกข์ของเหตุการณ์ต่าง คำถามสักทาง a ฟ e b o o k ค่ะกระผมขอเรียนถามจนถึงสุขผมจะรอฟังเทพธรรมมาบนเขาในเวลาบ่ายสองโมงเสาร์อาทิตย์และวันพระฟังถ่ายทอดสดธรรมานากุดและทำงานไปด้วยอย่างนี้ถือเป็นการอธิษฐานได้ไหมครับมันก็อยู่ที่ตัวเราเเราตั้งใจจะทำอะไรล้วถ้าเราตั้งใจทำมันก็พอได้ทำ ก, ก็ก็แสดงว่าเรามีสัจจะ ถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็เปลี่ยนใจมันก็ไม่มีสัจจะอธิษฐานตั้งไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้ทำตามที่เราตั้งใจไว้ mm hmm. ก็ต้องดูว่าใจกับการกระทำของเราตรงกันหรือเปล่า mm hmm. ตั้งใจจะฟังเทศแต่เดี๋ยวเผลอไปเปิดยู t u b e ลยดูละครแทนอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ความตั้งใจเราก็ไรประโยชน์ mm hmm. ตั้งแล้วก็ไม่ทำตามเพราะไม่มีสัจจะ mm hmm. คำถามจากทาง Facebook ค่ะการทําสมาธิถ้าใจเรายังไม่นิ่งพอหลับตาก็วุ่นวายแบบนี้เราสามารถนั่งมอ ง, ง, มองรูปพระแบบนิ่งๆทําใจให้นิ่งๆก่อนได้ไหมโชคะได้วิธีไหนก็ได้ทําใจให้เราเ่งสวนมนตไปก่อนก็ได้ถ้าดูลมไม่ได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การให้อภัยที่ดีที่สุดคือการให้อภัยที่ตนเองก่อนเพราะเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาให้อภัยเราได้การเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะไม่ถูกหรอกให้อภัยเขามันเกี่ยวอะไรกับให้อภัยเราหรอเป็นคนละเรื่องกันเราโกรธเขาเราก็ต้องยกโทษให้เขาไปอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเรามาให้อภัยเราทาไมไม่เกี่ยวกันคนละเรื่อง คำถามจากทางย t u b e ค่ะเราจะแก้ความลังเลสงสัยในเรื่องภพชาติการเว้นว่ายตายเกิดได้อย่างไรครับต้องปฏิบัติภาวนาจิตตาภาวนาทำจิตให้สงบแล้วก็จะเห็นใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันคำถามจากทางยู u b e ค่ะผมดูตัวเองเห็นว่าเป็นประเภทโทสะจริตควรดูตรงไหนดีครับอะไร เหมือนกับว่าเขาเห็นว่าตัวเองเป็นคนโทสะจริตนะคะเขาใช้เมตตาตาา้องแทนให้อภัยแล้วก็ลดความอยากลงไอ้ที่ทําให้เราโกรธเพราะเราอยากมากจุ้จี้จุกจิกอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็โกรธสังกวยเตี๋ยวมาพอได้เข้าวผัดก็โกรธยินดีตามมีตามเกิดสังกวยเตี๋ยวแต่เขาเอาเข้าวผัดมาก็กินไปก็จบ คำถามจากทาง YouTube ค่ะบวชได้หนึ่งพรรษาย้ายไปย้ายไปจำอยู่วัดยานได้ไหมครับเราไ่คุยกับเจ้าว่าเราเป็นลูกวัดเราตอบให้ไม่ได้คำถามจากทาง YouTube ค่ะบริกา ร, รพุทโทรเป็นประจำแต่พอราคาเกิดจะจะบริกา ร, รมพุทโทรทับแต่เอาไม่อยู่จะต้องทำอย่างไรคะ เวลาเวลาอะไรเกิดนะราคาค่ะใช้อ ส, สุภาถ้าราคาเกิดนี่ต้องใช้อ ส, สุภาใช้การสารสิสองท้องผมขนเล็ บ, บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามปอดหัวใจตับทั้งผืนลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าท่องไปแล้วมันึกภาพไปด้วยพอเห็นภาพเหล่านี้มันก็ทำให้การาราคาหายไปหมด มีคำถามคำถามจากคุณจากทาง YouTube นะคะจากคุณไมมารินลบกวนส่งมาใหม่ครับเพราะว่าอ่านไม่ค่อยออกค่ะถามเรื่องการสวดมนต์ค่ะคำถามจากทาง YouTube ค่ะการแผ่เมตตาที่ถูกวิธีคือทำอย่างไรครับก็ทำเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ เจอกันก็พักทายกันยิ้มแย้มให้กันหรือมีของมาฝากก็เอามาแบ่งกันกินกันก็ให้ความสุขต่อกันเวลาถ้าเกิดการผิดพลาดเขาทําอะไรให้เกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษกดเคลืองเวลาเราทําอะไรก็ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ว่าเราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเขาหรือเปล่าถ้าเสียหายเดือดร้อนก็อย่าไปทํา คำถามจากคุณไมมารินค่ะกราบนมาสการท่านพระอาจารย์ค่ะสวนตอนเดินออกกำลังจะบาปไหมคะสวนมนกําออกลังกายเลยค่ะถ้าสวนในใจก็ก็ไม่บาปนะสววนสวออกเสียงก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าเรามีวิธีการสวดมนต์ที่สวยงามก็คือเวลาเรานั่งเพราะว่าเรากำลัง สแสดงความคารวะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็เลยต้องเป็นท่าต้องอยู่ในท่าท่าที่สํารวมที่สวยงามแต่ถ้าเราใช้การสวดมนต์เป็นการเจริญสติเป็นการปฏิบัติบูบชาก็สามารถทําได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาเพียงแต่ว่าควรจะทําทภายในใจเพื่อเวลาพูดอื่เาเห็นเขาจะได้ไม่รู้ว่าเรากําลังสวดมนต์อยู่หรือเปล่าหมแล้วยัง